เป็นไงมีอะไรจะาถามไหมนะให้มีเลย ม, มาทำไมรู้ไหมมาเพื่อถามในสิ่งที่เราไม่รู้สิอยากจะรู้อะไรก็ถามดูจะได้รู้คํคาว่ารู้จักทุกข์นะถ้าสมมติว่าเรารู้ว่ า, เ, าเรากําลังโกรธหรือว่าเรากำลังโลภอย่างเงี้ยนี่นเพิย อ, อว่ารู้จักทุกข์ มันทุกข์ก็เปล่าล่ะอ่าเราก็รู้ว่าเราไม่สบายใจว่าอยากได้แร้วไม่ได้หรือว่าไม่อยากเจอแล้วเจออย่างนี้มันก็หรึกว่าไม่สบายใจหรือว่ารู้ทุกข์เราเวลาเราสบายไม่สบายเราไม่รู้แล้วใครจะรู้ล่ะเราจริงๆถือว่าเป็นการการรู้ทุกข์อนั้นเห็นเรารู้หรือเปล่าเวลาเราทุกข์เรารู้ว่าเราทุกข์ก็เปล่าทำไม่รู้ เมื่อเรารู้ทุกข์ล้วเราทอยังไง<อ>ก็ไปตีนคนเลยใครด่ า, า, ดาเราก็ติดไปเขาได้ใครด่าเราแล้วก็ไปด่าเขาอง่งนี้นะ <c oughs> จะได้หายทุกข์ใชนะ่ไหมหายไหมเ <c oughs> วลาเขาด่าเราก็ไปด่าเ็เราหายทุกข์ <c oughs> วะเขาก็ด่ากลับมาเราก็ยิ่งทุกข์ขึ้นไปใหญ่ เราต้องค้นหาสาเหตุของความทุกข์เวลาเราเกิดความไม่สบายใจเราต้องค้นหาสาเหตุว่ามันเป็นอะไรกันแน่ที่ทำให้เราไม่สบายใจ mm. เวลากาแฟหมดเนี่เราทุกข์ไหมจะกินกาแฟแล้วไม่มีกินเนี่ย mm. ไม่กินไม่ได้เลยถ้าไม่มีกาแฟนะทำ mm. ไมต้องไปซื้อมากิน พอมันทุกขไถ้ามันสบายมันก็ไม่ต้องกินกาแฟก็ได้คิว่าพอมันไม่สบายก็ต้องกินกาแฟแล้วมันจะได้หายถ้าเราไม่ได้ไปอยากกินกาแฟเราก็ไม่เดือดรอนใช่ไหมนี่มันก็อยู่ที่ความอยากของเราที่ทำให้เราทุกข์กันไม่สบายใจกัน เวลาทุกเราไม่ค่อยใช้ใช้ปัญญาพิจารณากันเราใช้อารมณ์พิจารณากันอารมณ์ก็คือเวลาอยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ถ้าเอาไม่ได้แล้วมันไม่สบายใจพอได้แล้วมันก็หายไม่สบายใจ แต่มันหายเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่สบายใจขึ้นมาใหมา่เพราะมันอยากอยากได้อะไรขึ้นมาอีกแล้ว mm hmm. ทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรนี่เราจะไม่สบายใจจนกว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากแล้วพอเราได้สิ่งที่เราอยากแล้วความไม่สบายใจก็หายไป แต่เดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่มันก็จะมาเป็นเหมือนคลื่นในท้องในทะเลเนี่ยมันมาเป็นละลอกละลอกเคลื่นนี้มาแล้วเคลื่นที่สองก็มาเคลื่นที่สามก็มาทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาเราก็อยู่ไม่เป็นสุขกันอวิธีที่จะทําให้ คืนมันหมดไปก็อยากไปทำตามความอยากถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเช่นเราอยากจะสูบบุหรี่ทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบุหรี่เราก็อยากสูบแล้วเดี๋ยวก็เลิกสูบบุหรีได้ที่เลิกสู่ไม่ได้ก็เพราะทุกครั้งที่อยากก็สูบ เาสูบแล้วเดียวมันก็มาอยากขึ้นมาอีกคนที่สูบบ้างาเรื่อยๆเนี่ยเพราะเวลาอยากสูบก็สูบแล้วเวลาไม่ได้สูบก็ไม่สบายใจหดหดนำขาดใจอารมณ์ไม่ดีสังเกตเวลาเราอยากจะได้อะไรนี้อารมณ์จะไม่ดี เวลาเราได้อะไรแล้วอารมณ์จะดีแต่ดีเดียวเดียวเดี๋ยวก็อารมณ์ไม่ดีขึ้นมาอีกเพราะมีของอยากขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวก็อยากทางตาเดี๋ยวก็อยากทางหูเดี๋ยวก็อยากทางลิ้นอยากทางลิ้นอย่างอยากกินขึ้นมากินเสร็จก็อยากดูอยากฟังอยากฟังแล้วเดี๋ยวก็อยากนอน เวลากินไม่ได้นอนก็หงุดหงิดใช่ไ้ต้องให้ได้นอนใครมาขัดควางไม่ให้นอนก็ไม่สบายใจอันนี้เราไม่เคยคิดกันเราคิดว่าเราอยากได้อะไรเราต้องทําตามความอยากต้องเอาสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราจะมีความสุขแต่เราไม่คิดถึงผลกระทบที่มันตามมาต่อไปคือมันจะไม่หมด มันจะไปสร้างความอยากใหม่ขึ้นมานีพระพุทธเจ้าท่านมาพิจารณาแล้วท่านเห็นว่าต้องหยุดความอยากอยากไปทําตามความอยากถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะไม่สามารถที่จะมาบังคับให้เราทําอะไรได้คนที่ ไม่อยากบุหรีไม่เห็นเดือดร้อนอะไรใช่ไหมเห็นบุหรีก็เฉยเฉยไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรแต่คนที่ติดบุหรีนี่เวลาเห็นบุหรีแล้วอยู่เฉยเฉยได้ั้ยเวลาอยากสูบบุหรีนี่อยู่เฉยเฉยได้ไหมความอยากทำให้คนเราต้องดินนด้นรนดิ้นทลายก็ไม่พอเวลาไม่ได้ก็ทุก ความใจความวาทุกขย่างความไม่สบายใจทั้งหลา ย, ยกิะจากความอยากของพวกเราเองเราจึงมามาหัดหยุดความอยากขั้นที่หนึ่งก็เราชอบใช้เงินซื้อของตามความอยากใช่ไหมอยากจะคือซื้อของที่ไม่จำเป็นต้องซื้อถ้าของที่จำเป็นนี่ไม่เป็นความอยาก มันเป็นความจำเป็นเช่นร่างกายเวลามันไม่ได้กินข้าวมันก็ต้องมีข้าวให้มันกินไม่มีน้ำก็ต้องหิวน้ำก็ต้องให้มันดืม่มอันนี้ไม่ได้เป็นความอยากมันเป็นความหิวของทางร่างกายความอยากนี่หมายถึงความอยากทางใจ กินตามความจาเป็นนีมันก็จะกินแค่ที่ร่างกายต้องการพอกินเสร็จมันก็หมดปัญหาไปแต่ถ้าอยากกินนี่บางทีเดี๋ยวกินต่ออีกร่างกายบอกพอแล้วอิ่มแล้วแต่ยังอยากกินต่ออีกกินเพิ่มไปอีกร่างกายมันถึงพองขึ้นมาพองขึ้นไปเรื่อย ก็กินด้วยความอยากถ้ากินเพื่ออยู่กินเพื่อเลี้ยงร่างกายนี้มันไม่พอพอมันรู้สึกอิ่ ม, มก็หยุดกินนะแต่บางทีมันอิ่มแนละ้วแต่มันยังอยากกินต่อมันก็เลยกินแล้วกินแบบไม่มีกำหนดเวลาอยากเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้น อย่างพระนี่เขาจะเจ้าสอนให้กินหนึเดียวก็พอถ้ากินเพื่อร่างกายนี่กินครั้งเดียวก็พอวันหนึ่งร่างกายอยู่ได้แล้วไม่เดือดร้อนไม่ต้องกินสามสี่ห้าครั้งหรอกบางคนกินมื้อใหญ่ๆสามมื้อแล้วยังมีมื้อเล็กๆระหว่างกลางองีกกินได้ชั่วโมงวันเดี๋ยวก็หิวขนมนะเดี๋ยวก็หิวเครื่องดื่มนะ มีของกินรอบตัวไปมาในกินด้วยความอยากอ้า <c oughs> <c oughs> กินด้วยอ่ากินเพื่อร่างกายก็กินแบบพระหรือกินแบบผูกที่ถือศีลแปดเ่ยนกินเพื่อร่างกายกินแค่มื้อสองมื้อก็พอหลังเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องกินแล้ว ก็จะบอกว่าให้ตัดความอยากไปเรื่อยๆถ้าเราตัดไปเรื่อยๆมันจะหายไปเองใช่ไหมคือมันต้องไม่ัมันต้องรู้ว่าหนึ่งทำไมตัดมันเพื่ออะไรหยุดมันเพื่ออะไรต้องบอกว่ามันหยุดเพื่อจะได้อ่าไม่ต้องทุกข์กับมันอีกถ้าอยากครั้งต่อไปมันก็อ่ามันก็จะมันก็จะต้องอยากไปเรื่อยๆแล้วเวลายอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ เราต้องเห็นว่าเราหยุดเราฝืนความอยากทําไมฝืนเพราะว่าเราเห็นว่าการทําตามความอยากมันพาเราไปสู่ความทุกข์เราจึงต้องหยุดความอยากอถ้าเราไม่เห็นด้วยเหตุด้วยผลว่าการทําตามความอยากนี้เป็นความทุกข์เราก็ บางทีเราก็เ<ม>ช่นเราไปอยู่ที่ไม่มีให้ของที่เราอยากเราก็หยุดได้เ<ม>ช่นไปอยู่ที่ไม่มีบุหรี่ขายไม่มีคนสูบบุหรี่ไม่มีบุหรี่สูบนี่มันก็หยุดไปโดยโด้วยเหตุมไม่มีแต่พอมันไปเจอบุหรี่ที่ไหนก็ปั๊บมันก็อยากขึ้นมาทันทีถ้าหยุดแบบนั้นมันจะ หยุไม่ได้ผลมันต้องหยุดด้วยเพราะว่าเราเห็นว่าการอยากบุหรีนี้จะทำให้เราอยากไปเรื่อยๆถ้าเราทำตามความอยากถ้าเราไม่ต้องการที่จะเป็น่าตของบุหรีไม่ต้องการติดบุหรีเราก็ต้องหยุดอยากอยากบุหรีหรืออะไรก็ตามไม่ใช่บุหรีสุรา ของอะไรต่างๆแล้วแต่คนละคนแต่ละคนก็ติดไปคนละอย่างติดพันนันอย่างนี้ทุกงวดต้องแทงใช่ไหยพอวันที่จะหวยออกนี้ต้องแทงกันแล้วถ้าไม่ได้แทงรู้สึกว่ามันใจมันหวิวๆใจมันขาดอะไรไปแล้วแทงแล้วพอไม่ถูกก็เศร้าใจ แต่เดี๋ยวพอถึงวันหน้าก็อยากขึ้นมาใหม่อีกแล้วถ้าเกิดมีออกทุกวันมีหวยออกทุกวันก็คงจะแทงทุกวันนะยังต้องเห็นโทษของความอยากว่าเป็นเหตุของความทุกข์ <c oughs> เราจะได้เผื่อได้เหมือนกับเราเห็นว่าอ่ากินยาพิษแล้วต้องตายอย่างเงี้ยเราจะกินไหม เราก็ไม่กินอาจารย น, นเราเห็นว่าการทําตามความอยากนี่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็จะได้ฝืนที่ีวิธีจะฝืนนี้ต้องมีกําลังใจการการฝืนความอยากนี้เหมือนกับการปีนภูเขาไงการที่เราจะปีนภูเขาได้นี่เราต้อง มีกำลังถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็จะปีนไม่ไหวเราก็ต้องไปสร้างกําลังขึ้นมาะปยกน้ําหนักไปไปวิ่งไปทําอะไรเพื่อให้เกิดมีกําลังขึ้นมาพอมีกําลังแล้วเราก็จะสามารถปีนเขาได้ <c oughs> การหยุดามอย่างนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> เราต้องมีกําลังใจเราต้องมีกําลังที่จะสู้มัน สู้กับความอยากความอยากนี้มันจะดันให้เราไปทำในสิ่งที่มันอยากถ้าเราไม่มีกำลังสู้มันมันก็มันก็ดันเราไปพักดึงเราไปเราต้องมาสร้างกำลังที่จะสู้กับความอยากกำลังที่จะสู้กับความอยากได้ก็คือสมาธินี่เวลาเรานั่งสมาธิ เรามีกํกำลังหยุดความอยากกันเพราะเวลานั่งสมาธิเราเราไปทำอะไรไม่ได้เลยไปดูไปฟังไปทำอะไรไม่ได้นั่งเฉยๆถ้าเรานั่งเฉยๆได้นานเราก็จะมีกำลังสู้กับความอยากได้มากถ้านั่งเฉยๆนได้ไม่นานก็สู้กับความอยากได้น้อยคนที่ไม่นิ่งคนที่ไม่นั่งเฉยๆ ลุกไปนู่นลุกมานี่เนะี่ยก็ความอยากนะันะความอยากไปทำนู่นทำนี่มันก็ทำให้มันนั่งเฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ได้เาะงั้นการจะนั่งเฉยๆอยู่นิ่งๆได้เราก็ต้องมีเครื่องมือดึงใจไว้เครื่องมือที่ดึงใจเราเรียกว่าสติวิธีสร้างสติก็คือให้เราเราเลิอกอยู่กับพุโทโธพุโทโธเนี่ย ถ้าเราท่องพุโทโธพุทโธไปในใจไม่ต้องออกเสียงแล้วนึกถึงพุโทโธพุทโธเหมือนกับสวดมนต์ภายในใจถ้าเราเลิกพุโทโธไปเรื่อยๆใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็ไม่ต้องไปทําอะไรแต่ถ้ามันไปคิดถึงเรื่องนู้นแป๊บเดี๋ยวมันก็อยากจะทําให้หนูนะ่น่ะคิดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะทําให้นั่นล่ะมันก็จะดึง ใให้ไปทำอะไรหรืออยู่เรื่อยๆฉะ <c oughs> นั้นการที่เราสู้ความอยากกันไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่มีกำลังเราต้องมาสร้างกำลังด้วยการมาสร้างสติเพราะว่าความคิดของเรานี้มันจะคิดไปในทางความอยากเราจะให้มันคิดพุโทโธแทนเพราะการคิดพุโทโธนี้ไม่เกิดความอยาก เข้าใจไหมคิดถึงกาแฟนีน่อยากไหมคิดถึงแฟนนี่อยากไหมคิดถึงเงินอยากไหมคิดถึงอะไรนี่เดี๋ยวมันก็อยากได้ขึ้นมานะแต่ถ้าคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี้มันไม่มีความอยากตามมาอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะหยุดความอยากด้วยการใช้สติ ดึงใจไว้อย่าให้ไปคิดถึงลูกเสียงกิ่นรสอย่าให้ไปคิดถึงราบยศสารเสริญถ้าคิดถึงราบยศสารเสริญก็อันนี้ก็ไปหาเงินแล้วใช่ไหมคิดถึงเงินนี่ก็ต้องไปหาเงินกันละคิดถึงเงินก็เพื่อจะไปหาเงินพอมีเงินก็จะได้ไปใช้กันไปซื้อของตามความอยากไปเที่ยวตามความอยากกันถ้าคิดถึงยศ ก็จะไปวิ่งหากันวิ่งเต้นกันออยากจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไปหาเสียงกันอยากจะไปเป็นอบตอบจไปเป็นสมาชิกเทศบาลพ อ, อถึงเวลาเลือกตั้งก็ต้องไปถ้าไม่ถ้าไม่คิดอยากจะเป็นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องไป ดิ้นไปวิ่งเต้นให้เหนื่อยยากแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันก็ต้องไปทําตามความอยากความอยากก็เกิดจากความคิดคิดว่าอ๋อ้าเป็นนายกเป็นอบจอเป็นอะไรเป็นกำ น, นันเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วมันมีหน้ามีตาใช่อหมมีเกียรติดีกว่าคนอื่นไม่ได้เป็นคนธรรมดาแล้วเป็นวีไอพีขึ้นมาแล้ว มีหน้ามีตา <c oughs> พอคิดอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาทีนี้มันไม่คิดว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่อยากเนี่ยมันอยากต้องหลายคนคนนั้นก็อยากคนนี้ก็อยากก็ต้องมาแข่งกันแข่งกันเขาก็มีกฎกติกาแต่คนบางคนมันก็ไม่เครารพกฎกติกา เราก็ไม่เขารบเราก็เขารบไม่ไหวแล้วถ้าเราเขารบเราก็สู้เขาไม่ได้ก็เลยทำผิดกฎกติกากันกลายเป็นโจรผู้ร้ายกันขึ้นมาผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนี่ช่อโกงกันแก่งแย่งชิงดีกันถ้าเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราก็จะไม่มีโอกาสไปคิดถึง กำนันผู้ใหญ่บ้านเอาปตอเอาปจ อ, อะไรทั้งสอสอนายกอะไรต่างๆเราก็สบายไม่มีความอยากเป็นอะไรทีเราไม่ไม่พูดโทนา น, นสิพูดโทได้สองสามวินาทีหายไปแล้วคิดถึงนูน่นคิดถึงนี่แล้วนี่แหละปัญหาของพวกเราเราควบคุมความคิดไม่ได้ แม้วควบคุมความคิดไม่ได้ก็ควบคุมความอยากไม่ได้เพราะความอยากมันต้องมีความคิดพาไปเหมือนกับได้เนี่ยมันต้องเราใช้ศีลช่วยช่วยลดความอยากนด้หือว่าเราตึดศีลแปดเราถ้ามันถ้ามันรักษาได้มันก็ช่วยได้ถ้ามันรักษาไม่ได้ พ, พุโธนึกไม่ถึงแต่ว่าเราเรามันจะบิดศีลแล้อะไรอย่างนี้นเราก็<อ>มไม่ทําตามที่ทำ ได้ก็ดีแต่มันก็มันไปแก้ที่ปลายเหตุเงี้ยศีลเป็นเหมือนรัว้วกำแพงกั้นไม่ให้สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงนี่มันออกไปทำอะไรให้เสียหายแต่มันยังมันยังมีกำลังอยู่มันอยู่ในกำแพงมันก็ยังวิ่งว่อนอยู่มันก็ยังไม่ยอมอยู่เฉยๆ ต, ต้องเอาเชือกมาจับมามัดมัน ูกไว้กับเสาอย่างนี้มันถึงจะนิ่งแล้วถ้าอยากจะข้ามันให้ตายก็ต้องเอามีดมาฟันเลยไม่ไงั้นมันก็สร้างปัญหาเดี๋ยวร้วมันทีมันก็เจาะหาช่องออกไปได้เรือรักษาศีลรักษาได้ทุกวันหรือเปล่ารักษาปูจจมันตายได้บป่าใช่ไหม เดี๋ยวพอเกิดความอยากแรงๆขึ้นมาเอาไม่อยู่นนะรั้วเนี่ย mm hmm. เวลาโกรธขึ้นมาแรงๆนี่เอาไม่อยู่นะ mm hmm. เวลาอยากจะได้แรงๆ mm hmm. อะไรแรงๆขึ้นมานี้เอาไม่อยู่นะ mm hmm. เห็นไมคนบางคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ยังฆ่าได้เ่ย mm hmm. มันก็ต้อ ง, mm hmm. ต, องต้องอาศัยศีลในเบื้องต้นก่อน สร้างรั้วสร้างอะไรเพื่อมันจะได้ไม่ออกไปแล้วเวลาจะจับมันก็ง่ายจับมันมาผูกกับเสานี้ก็ง่ายถ้าไม่มีรั้วนี่มันวิ่งไปไหนวิ่งออกไปในป่าไงเราจะไปตามจับมันไหวเลยทำ่มสัตว์เลี้ยงเขาถึงต้องมีมีคอกมีคอกวัวควายที่เขาเลี้ยงเวลาที่เขาจะจับเอาไปขาย จับเอาไปฆ่าในเขาก็ต้องจับมันขังไว้ในค้อหรือเวลาปล่อยมันออกมานอกข้อก็ต้องมีคนคอยคุมเวลาพามันไปกินเนื้อกินหญ้าก็ต้องมีคนคอยเฝ้าคอยดึงมันไว้ก็ตอนต้นก็ให้มีศีลก่อนนศีลแล้วจะทําให้อการควบคุมใจนี้ง่ายขึ้น ป่าไม่มีศีลถ้าไม่มีศีลแต่มันก็ไปโผล่ที่ผรรที่บานนู่นเดี๋ยวมันก็ไปกินข้าวเย็นไปงานเลี้ยงถ้ามีศีลแต่นี่มันก็ไปไม่ได้ต้องอยู่วัดอยู่บ้านก็ไม่ได้ไม่ไหเพราะเดี๋ยวมันก็มีอะไรมาชวนให้ไป ทำอยู่บ้านมันมีของต่างๆคอยตอบสนองความอยากอยู่ mm hmm. เดี๋ยวถึงตอนเย็นก็หิวขึ้นมาลืมไปว่าถือสีลแปดกินเกินอิ่มแล้วก็นึกถึงไน้ว่าอ๋เอเราถือสีลแปดเนี่ยวาใช่มีสเนี่ยถูกต้องแต่สีลไม่สามารถที่จะไป หยุดมันได้เพีงแต่ล้อมกรอบไว้ล้อมคออไว้ไม่ให้มันออกไปไกลเกินไปจะได้จับมันง่ายจับมันมานั่งเฉยๆยกจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีศีลแปดงั้นเดี๋ยวมันก็ไปดูหนังละเดี๋ยวก็ไปร้องนาทำเพลงละเดี๋ยวก็ไปนั่งแต่งเนื้อแต่งตัวเดี๋ยวก็ไปนอนกาแฟนะ เดีวก็ไปกินข้าวเย็นไปงานเลี้ยงแล้ ว, ลวจะ เ, เวลาที่ไหนมานั่งสมาธิแต่พอเราถือศีลแปดนี่มันมีมันไปทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะมีเวลาว่างะมีเวลามาพุโทโธพุโทโธมานั่งสมาธิมีเวลามาสวดมนต์การสวดมนต์หรือการพุโทโธนี่ก็เป็นการสร้างสติ เป็นการดึงใจไม่ให้ไปคิดต่างความอยากต่างๆพอเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับบทสวดมนต์นี้มันก็ไปคิดถึงกิจกรรมที่เราเคยทำไม่ได้มันก็ลืมพอมันลืมมันก็ไม่มีความอยากเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆมันก็สงบได้พอสงบแล้วมันจะ มีความสุขขึ้นมามีความอิ่มมีความพอขึ้นมามันก็จะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่หิวกับกิจกรรมยต่างๆที่เราเคยทำมาแต่มันจะเป็นชั่วคราวชั่วเวลาที่มันสงบเท่านั้นเองพอออกจากสมาธิมาเราก็ต้องพุโทโธกันต่อ ถ้าไม่พุโทโธเดี๋ยวก็ไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็หิวก็อยากขึ้นมาอีกเขาทำอย่านไปเรื่อยใช่ไหมอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิอะไรใช่ไหมนั่นแหละก็แตงมาบวชกันไงคนเข้าบวชก็มาทําอะไรกันนะคนมะบวชเขาก็เดินจงกรมควบคุมความคิดพุโทโธพุธโทโธไปพอเดินเมื่อยก็มานั่ง นั่งหลอกพุโทโธหรือดูลงไปแล้วถ้าสติดีไม่ไปคิดอะไรมันก็รวมมันก็สงบก็อยู่พอมันสงบแล้วมันก็เบา อ, อกเบาใจไปความหิวความอยากต่างๆก็หายไปเดี๋ยวออกมาเดินจงกรมถ้าเผลอเดี๋ยวก็ไปคิดถึงกิจกรรมต่างๆองีกก็เครียดร้อนขึ้นมหมี ก็ต้องพยายามดับมันให้ได้ถ้าดับไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะทำให้ต้องอลาสิขาไปถือสินแปดก็ขอเปลี่ยนเป็นสินห้าไปบางทีถือสินห้าบางก็ไม่เอาไม่เอาสินเลยเดี๋ยวจะไปดื่มสุราละปีใหม่นีใกล้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเข้าดาวนะ เดี๋ยวปีใหม่คนเจ้าของขวัญมาให้กระเช้ามากระเช้าเดี๋ยวนี้มักจะมีสุราแถมมาด้วยมีเหล้าอ ง, งุ่นมีแชมเปญมีพอเห็นแล้วก็อยากขึ้นมาทันทีเราทุกวันนี้ชีวิตของเรานี่ถูกความอยากพาไปอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพาไป แล้วก็พาให้เราสุขนิ้วเดียวแล้วก็พาให้เราต้องไปเหนื่อยกับการหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันและเวลาไม่ได้ก็เสียใจผิดหวังไม่มีอะไรอยู่คนเดียวก็เหงาว้าเวเป็นเหตุเป็นผลที่เกิดจากความอยาก ถ้าเราหยุดความอยากได้อารมณ์ต่างๆจะไม่มีความเหงาความว้าเวความาความหมดุดหงิดตำคาใจความวิตกกังวลห่วงใยอะไรต่างๆทั้งหลายนี้มันจะหายไปหมดเวลาจิตสงบเพราะอารมณ์ต่างๆนี้จิตเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเราใช้คำสรุรมรวมว่าทุกข์ไง ความทุกข์ทั้งหมดนีจิตของเราเป็นคนผลิตขึ้นมาเองผลิตด้วยการคิดด้วยความคิดด้วยความอยากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาสร้างกําลังเพื่อจะหยุดความคิดหยุดความอยากกันสร้างสติกันสติก็มีหลายวิธีแต่ที่พูดนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งก็คือการใช้พุทธโธเี่ การนัลึกถึงพุโทโธพุธโทโธนี่ก็เป็นหนึ่งในหลายวิธีด้วยกันมีสี่สิบวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเป็นเครื่องสร้างสติบางคนก็ใช้การนัลึกถึงความตายก็ได้การนลึกถึงความตายมันก็จะทำให้ใจไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้อะไร ถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมันเองรักษาไม่ได้แล้วยังอยากจะไปทำอะไรอีกไหม ย, ยังอยากจะไปหาเงินไหม ย, ยังอยากจะไปเที่ยวกันไหมอยากจะให้มันสงบนะอยากจะให้มันไม่ฟุง้งซ่านอยากจะให้มันไม่ไปกลัวความตายกันความกลัวความตายก็เพราะมันอยากอยู่มันถึง มันถึงกลัวความตายพอมันกลัวความตายมันก็เครียดนะมันทุกนะแต่ถ้าเราหยุดความกลัวได้หยุดความอยากได้มันก็หายเครียดได้ถ้าเราทำสมาธิได้ใจเราก็จะหายเวลากลัวก็ไปนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความตายพอไม่ได้ไปคิดถึงมันเราก็ลืมมัน มันตายหรือไม่ตายเราก็ไม่รู้เรื่องเราไม่ไปสนใจใจเราสงบแล้วความกลัวตายก็หายไปความสบายใจก็ ก, กลับมาเราก็จะตายอย่างสบายใจได้ตายอย่างไม่กลัวได้แล้วก็พูดถึงคำถามจากข่อได้ไหมคะได้ดีว่าที่มาปฏิบัติเนี่ยมีน้องเขาเพิ่งเสียชีวิตนะคะ แล้วเราก็ปัดมาที่นี่แล้วยังแต่ก็เป็นงานวันหนึ่งทีนี้เมื่อวานนี้ก็สวดทําวัดเองนะคะพอเรานั่งสมาธิแล้จิตมันก็สงบนิ่งไปแล้วประมาณขึ้นทุ่มทุ่งทุ่มขึ้นๆอย่างเนะะี้ยค่ะก็ได้ยินเสียงเสียงสวดสวดในงานจบมานะคะอแบบนั้นได้ยินแว่วมาก็ก็ลืมตาว่าเอ๊ะทาไมได้ยินเสียงสวดสวดจบใช่ไหม ก็เลยแล้วพอหลักตาถ้าภาพที่เราเห็นหรือสิ่งที่เราสื่อได้กับคนคนคนที่เสียที่ตายแล้วค่ะอันเนี้ยมันมันเป็นความคิดของเราหรือมันเข้ามาก็ต้องก็ต้องพิสูจน์ดียมันเป็นได้ทั้งสองอย่างมันเข้ามาก็ได้เราคิดไปเองก็ได้ถ้ามันเข้ามาจริงเราก็ต้องคุยกับมันได้เนี่ยคุยคะ่ะแล้วเพาวาไงคุยกับเขาว่า ว่าเขามาาไปถึงไหนแล้วแล้วก็บอกเขาหรือเปล่าว่าเขาตายแล้วเขาเหมือนกับว่าที่งานศพเนี่ยเขาก็จะจะจะสวดใช่ไหมคะแต่เขาเสียชีวิตด้วยความโกรธเพาเป็นคนโมโหร้ายแล้วก็โกรธเนี่ยเขาดุมาเขาดุหมาแล้วเขาเป็นโรคอยู่แล้วเขาก็เลยเสียชีวิตไปอย่างกะพันหันแล้วเราก็เป็นพี่อะเนาะก็มีความเป็นห่วงเขาค่ะว่า ว่าก็คือเขาไม่ค่อยไม่ค่อยส บ, บายก็้หลังก็ถามเพราะว่าอันนี้คุณอยารับมอ่าแล้วคุยได้ป่ะว่ก็ว่ามันมันก็ได้นะก็เลยไม่ทราบว่าคือเขาก็แค่มาถึงให้เราเห็นว่าเขาเมื่อยังไม่ได้ส บ, บายนะอันนี้หลบคิดไปเองอก็เราต้องเป็นคนรู้เองเสียว่ามันคิดไปเองหรือว่าเขามาหาเราจริงๆแล้วถ้าเขามาถึงที่เขามาบอกเนี่ย เราต้องทํำไหมคะหรือหรือว่าพอเขามาปุ๊บแล้วก็กําหนดพูดโทต่อไปไม่สนใจสิ่งที่เห็นก็อยู่ที่เราล่ะมันได้ทั้งสองอย่างถ้าเขาคนเขาโทรมาเราไม่รับสายก็ได้รับสายก็ได้ใช่ไหมเราจะเราจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้อยู่ที่เราถ้าถ้าเรายังห่วงเขาอยู่รู้ว่าเขาไปแบบด้วยจิตที่ที่ที่ที่โมโหล้าอย่างเนี้ย เราอยากจะช่วยเขาอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้นะคะดึงจิตเขาขึ้นมาให้ถ้าถ้าไปด้วยคำมัวล่านี่มันไปนรกมันช่วยไม่ได้ก็ฮัวล่ า, ตาแต่ว่าก็เหมือนกับว่าให้เขาขึ้นมานิดนึงก็ ย, ยังอ๋อเขามันมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนที่เราเข้าไปช่วยเขาไม่ได้แต่ช่วยได้ถ้าเขาเหิวเขาอยากได้อะไรเราก็ทําบุญอุทิศไปให้ได้ ถ้าจิตเขาเป็นเปรตก็ช่วยได้แต่ถ้าจิตเป็นนรกก็ช่วยไม่ได้นอกจากคุยธรรมะกับเขาสอนธรรมะให้เขาว่าให้เขาให้อาภายัยให้เขาแผ่เมตตาอย่ากโกรธเกลียดกันให้อาภัยกันอะไรยังไงก็ได้ ก็เหมือนกับเราชวนคนอื่นมาเนี่ยทาไมคนอื่นเขาไม่มาเขาไม่อยากมาเมื่อเขาไม่มาเราจะไปทํายังไงล่ะเราก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการความสงบเราก็กลับมาพุทโธแต่ถ้าเราต้องการช่วยเหลือเขาเราถามเขาอีกได้ใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าเราช่วยเขาได้หรือเปล่ครับถามว่าเราเราเราก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเรา สามารถให้สิ่งที่เขาต้องการได้หรือเปล่าแล้วภาพแบบนี้นี่เราเชื่อตัวเราเองได้ใชะสิ่งที่เราเสียงอย่างเสียงเข้ามาเนี่ยหลวงพ่ก็ไม่เข้าใจว่าเสียงที่ดังเข้ามาเป็นเสียงสวดอย่างเงี้ยค่ะบงทก็เลยลืมตาว่าที่ทำไมที่นี่ที่วัดนี้มีเสียงอ๋อก็มีเนี่ยก็สวดทุกคืนน่ะที่บ่อยเขาสวด ให้ในหลวงทุกคืนมีเจ้าภาพมาสวดละพิธามทุกคืนไม่รู้เลยรู้ค่ะวันนี้จะเป็นเจ้าภาค่ะแล้วมาถามว่าเสียงมันมาย่งไอ๋อไม่ใช่เสียงวัคืนมันเป็นเสียงจะอ่านี่ก็ก็สวดจบนะสวดละพิธามก็สวดจบนะคืนนี้จะเป็นเจ้าภาพก็สวดอะไรสวดิธมอันก็สวดจบนะคือของพวกนี้ จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้มันก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้กับเราดีขึ้นหรือเร็วลงเข้าใจไหมนะครับว่าเป็นแต่เป็นเรื่องที่เรารู้กันเหมือนเราดูหนังนี้เราดูหนังเสร็จแล้วเราดีขึ้นไหมหรือเราเร็วลงไหมมันก็เท่านั้น ดแลมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเราช่วยก็ได้แนละ้ว่ะก็ช่วยสิช่วยได้ก็ช่วยถ้าอยากจะช่วยเขาช่วยได้ก็ช่วยถ้าอยากจะช่วยเขาช่วยได้ก็ช่วยอยช่วยเายได้ช่วยอ่ยะ่าไก็ส่วยอ่า้าะ่เขาก็อ่า้าะช่งยังไงบุ็ม่า้ายังไะเรายังไม้ไ่วยอ่้ยากยเขไ้ก็ช่อา้ายาจะ่เขาช่วได่อ้าอเขา่็อายจะ่เขาช่วยไ้ก็ช่ว่าถ้าอยาจะเข า, เ า, เา ก, ก็อ่าถ้าอยาะ่เราก็ต่้องก ต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรความช่วยเหลือที่เขาต้องการนี้เป็นอย่างไรถ้าเขาบอกอยากให้ช่วยให้เขากลับมาเกิดใหม่นี้ช่วยให้เขาฟื้นนี้ช่วยเขาได้ไหรือเปล่าใช่ไหมคือของพวกนี้มันมันไม่เป็นประโยชน์การนั่งสมาธิของเราเนี่เราไม่ต้องการของพวกนี้เสียเวลาถ้าไปยุ่งกับของพวกนี้เสียเวลาไหมเหมือมนไปนั่งดูทีวี แทนที่จะดูทีวีด้วยตาปล่าก็ดูทีวีด้วยตาทิบเท่านั้นเองอ๋อเราก็กลับมาสงบเหมือนเดิมนะอ่ามาสงบทำใจใ้สงบให้เย็นให้สบายดีกว่าเรื่องของเขาก็เป็นบุญเป็นกรรมของเขาเขาทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเขาก็ต้องไปรับผลของอของกรรมของเขาอนอกจากว่าถ้าเขามาช่วยขอร้องให้เราช่วยออ จะดลตัวอย่างอันนี้เรื่องจริงนะครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังแม่ชีแก้วนี่เป็นลูกศิษย์หลวงตานี่เธอจะนั่งสมาธิแล้วเวลาสงบนี้จะมีพวกดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วนี่มามาหาแกครั้งหนึ่งก็มีควายตัวหนึ่งถูกฆ่าตายควายในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็ ตายแล้วดวงวิญญาณของควายก็มาหาแกเพรพอดีช่วงนั้นแกนั่งสมาธิอยู่พอดีควายก็เลยมามาเล่าว่าตัวเองถูกเจ้าของท่าแม่ชีก็ถามว่าทาไมเขาต้องมาฆ่าเธอละเพราะเธอดื้อใช่ไหมเพราะเธอไปทําอะไรให้ข้าของเสียหายใช่ไอมควายก็รับสารภาพบอกครับผม <laughs> ผมไม่ดีเจ้าของมันก็เลยโกรธเกียด ก็เลยฆ่าผมอแล้วเขาก็เลยฉลองกินเหล้ากันเอาเนื้อผมมากินแต่พรุ่งนี้เขาคงจะเอาส่วนหนึ่งมาทําบุญกันแม่ชีเอก็ขอให้แม่ชีช่วยรับไวพราะผมจะได้บุญเพราะผมเป็นเนื้อของผมอแล้วก็ตอนเช้าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีคนเอาเนื้อควายมา มาถวายให้แม่ชีแล้วก็เล่าว่าค่าควายเมื่อคืนนี้กินเลี้ยงกันมันก็รู้เท่านั้นเองมันก็ไม่มีอะไรแม่ชีทําได้ก็เพียงแต่อนุโมทนาวัญญาติโยมเอาเอาเงินมาถวายที่นี่เราก็อนุโมทนาไปซึ่งจะอนุโมทนาไม่อนุโมทนามันก็คนให้ก็ได้บุญอยู่แล้ว ค น, คนให้ได้เสียสละแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วในใจของคนให้แล้วการอนุโ ม, นโมทนาโมายถึงขอให้รับถ้าเอามาให้แล้วเราไม่รับก็ยังไม่ถือว่าได้บุญคือให้เอากลับไปอย่างเงี้ยโมยมาแล้วไม่เอาเอากลับไปเถิดอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้โยก็ยังไม่ได้ทำบุญแต่ถ้าโย ม, มาแล้วเรารับ ก็แสดงว่าอนุโมทนาเขาคำว่าธนูอนุโมทนาก็คือรับของที่โยมให้มาโยมก็ได้บุญจากการให้ของไปแต่ถ้าเอาไปให้แล้วคนรับเขาไม่รับนี้เขาให้เอากลับไปเราก็ยังไม่ได้บุญเราก็ต้องไปหาที่อื่นให้ถึงจะได้บุญแม่ทีก็ทําได้เพียงเท่านั้นทําก็คือตอนเช้าเขาเอาเนื้อ ควายมาให้เม่ชีก็รับไปควายตัวนั้นไอ้วงวิญญาณของควายตัวนั้นมันก็ได้บุญมันก็ทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยอมีบุญเพิ่มมากขึ้นหน่อยอาจจะลดความเป็นเปรตให้น้อยลงหรือไม่เป็นเปรต เ, เลยไปเป็นเทพเลยก็ได้ ก็นี่มาทำนี่แล้วเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้เขาเลยอ๋อทิ้งปให้เขาเขียนชื่อาไปอย่านอ่าม่ันเขียนเนีเวลาเจอเขาคืนนี้ถ้าเข้ามาก็บอกพมุนให้เธอเนะได้รับหรือเปล่าเออ ถ้าที่โยมก็ใจค่ะคือตลอดสายคือเป็ว่าศานาพุทธสอนให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ตลอดสายของการปฏิบัติเท่าที่ทราเท่าที่อ่านมและทำมันต้งทานสี่ข้อหน้าถ้าเราเยี่ยพึ่งตัวเองไม่ได้คือเราต้องพึ่งพระพูดพระทำพระสอนเป็นที่พึ่ง น, นําไปก่อนแล้วจนถึงร ะ, ระยะหนระดับหนึ่งซึ่งแบบว่าเราพรึ่งตัวเองได้คือใจโยมโยมก็ยงัยงยงัยงไม่รู้ต้องพูดถึงระดับไหนนะคะที่ว่าบว่าเราสามารถพรึง่งพึ่งตัวเองได้โดยที่แบบว่า พึ่งพึ่งตัวเองได้ครับอาจารย์ออันนี้คือโยมยมเข้าใจถูกใช่ไหมครัอาจารย์แต่เบื้องต้นคือก็คือยึดก็พูดก็ทระสมเป็นที่พึ่งไปเรื่อยๆถ้าเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งคนอื่นก่อนะตอนนี้เราเป็นเด็กเราพึ่งตัวเราได้ปะไม่ได้ก็ต้องพึ่งพ่อแม่ไปก่อนแล้วพอเราโตขึ้นเรามีความสามารถที่พึ่งตัวเองได้เราตอนนี้ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วใช่ไอมพึ่งตัวเองได้แล้วใช่ไหใจก็เหมือนกัน ใจที่มามาปฏิบัติตอนต้นเราไม่รู้จักวิธีทำให้ใจพึ่งตัวเองตอนนี้ใจของพวกเราไปพึ่งร่างกายไปพึ่งเงินทองไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ถ้าเรามาปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนต่อไปเราก็ไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องพึ่ง ร่างกายอตอนนี้เรายังพึ่งของต่างๆเหล่านี้อยู่หรือเปล่าก็อย่าพึ่งเต่ยังอย่างวันพระนี่ก็มาอยู่วัดนี่ก็มาหัดไม่อยู่แบบไม่พึ่งอะไรไม่พึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่พึ่งแฟนไม่พึ่งข้าวอาหารอาหารพึ่งพึ่งบางส่วนแต่ไม่พึ่งพึ่งเท่าที่จําเป็นที่ต้องพึ่งส่วนที่ไม่จําเป็นก็ไม่พึ่ง ในคาที่มารักษาศีลก็เป็นการมาหัดพึ่งตัวเองพึ่งด้วยการทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบเราก็ไม่ต้องมีอะไรเราก็มีความสุขได้เพราะว่าความสงบนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากเงินทองเข้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้อตอนนี้เราต้องมาเปลี่ยนที่พึ่งกัน ตอนนี้เรายังเพื่งเงินทองเพื่งรูปเสียงกลิ่นนัดเพื่งอะไรต่างๆอยู่ยคนที่มาบวชนี่เขาเขาไม่เพื่งของเหล่านั้นก็หันมาเพื่งความสงบเราก็ต้องถึงระดับไหนถึงจะพื่งตัวเองได้เขาโซดาบัลไหมคะประมาณนี้ไม่รู้คำถามนี่อะไร้าเลยถ้าเป็น สสดาบันได้นี่มันก็พึ่งตัวเองได้คือจะสามารถที่จะทำให้ตนเองนี่พึ่งตนเองได้อย่างเต็มที่แต่ยังตอนที่เป็นสสดามา น, นี่ยังพึ่งตนเองยังไม่เต็มที่อยู่ยังมีแฟนยังอยากมีแฟนอยู่แล้วสดาบันนี่ยังยังมีการอารมณ์อยู่ ยังต้องมีแฟนแต่ถ้าไปถึงขั้นพระอาานาคามีขั้นที่สารนี้ก็จะไม่มีความอยากมีแฟนไม่ต้องมีแฟนแต่ยังไปพึ่งฌานอยู่พึ่งซึ่งพึ่งความสงบอยู่ถ้า <hopping> อาหารนี้ถ้าอาห า, า, ารานี้ไม่พึ่งอะไรเลย<ม>ความสงบฌานสมาธินี้ก็ไม่ต้องพึ่งถ<ม>้าอาหารนี้ไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องเข้าฌานก็ได้ สา่ถึงพรอรหันต์นี่เพิพ่งเขาทำพระสงฆ์จนจนสุดท้ายอยค่ะทุหลุดแล้วคือตัวเองแล้วกรรมเพึพ่งบางคนกระทำพระสงฆ์ก็คือพึ่งคําสอนของท้าเจ้าเป็นเป็นแนวทางเป็นผู้นําในการปฏิบัติถ้าเรายังทําเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นที่เขาทาเป็นว่าวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องพิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําอย่างไรอย่างเช่นพระโสดาบาล น, นี้ไป เรียนรู้วิธีว่าไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งร่างกายของตนเองคือถ้าร่างกายของตนเองตายก็ไม่เดือดร้อนคือไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บแต่ยังพึ่งร่างกายของคนอื่นอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่แต่พอรู้จักวิธีทำอะไรทาอย่างไรไม่ให้ไปพึ่งร่างกายของคนอื่น ก็ต้องไปดูร่างกายของเคยหรือว่าไม่สวยไม่งามอย่าไปดูตอนที่เขาสวยงามดูตอนที่เขาไม่สวยงามตอนที่เขากลายเป็นศพเนี่ยถ้าแฟนกลายเป็นศพเคย น, นีย่ยังจะเก็บไว้ที่บ้านหรือเปล่าเราเนี่ยังเก็บไว้ได้อยู่ยแต่พอเป็นศพแล้วยกให้สับเปลเหลอยั้นพยายามมองแฟนเราให้เป็นศพ บ, บ่อย เราต่อไปก็จะไม่อยากจะนอนกับแฟนนะตอนนี้ยังมองเป็นเทวดานางฟ้าอยู่ยังน่ารักอยู่ต้องมองแบบอ่ะให้เห็นว่ามันไม่น่ารักลูก่บวชถามพระอาจารยคำถามคือเราใจของพระโสดาบันเนี่ยคือถ้าสมมติว่าอย่างเพื่อนานว่าถ้าโดยปกติใจจะแบบนึงแต่ว่าสมมุติว่าไปเจอหมอแล้วหมอบอกว่า อาสามเดือนเป็นมะเรงสามเดือนจะตายแล้วถ้าใจยังปกติเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่ทราบความนั่นคือผ่านหรือ่าก็ผ่านไปขั้นหนึ่งผ่านไปขั้นหนึ่งไม่โกลัตายไม่โกลัเจ็บเไม่กลัเจ็บอยากจะรู้โกลัเจ็บไม่เจ็บก็นั่งไปเลยมันเจ็บก็อย่ามันเจ็บก็อย่าไปขยับมันเลยเอถ้าขยับก็แสดงว่ากลัวมันอยู่ พรโสดามันไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแต่ยังมีกามอารมณ์อยู่ยังมีความรักใคร่ร่างกายของคนอื่นอยู่ถ้าพิจารณาสุภาไปเรื่อยๆต่อไปก็จะดับกามอารมณ์ได้เห็นร่างกายของใครก็เห็นเป็นศพไปหรืเห็นเห็นอวัยวะตับตายไส้พุงเห็นโครงกระดูกเห็นไหมไม่เห็นนี้แล หนังมันหุ้มห่อยอยู่ดังนี่ต้องใช้ปัญญาปัญญานี่มันทะลุดูทะลุหนังได้ปัญญานี่เหมือนตาเอ็กซเรย์มันเครื่องฉายเอ็กซเรย์ ray. คือไปนึกถึงนึกถึงอวัยวะต่างๆให้ท่องอาการสามสองไปทางกายมีผมขนเล็บปันหนังใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีตับมีไต มีม้ามมีหัวใจมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมีอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในลำไส้มีสมองศีรษะแล้วก็มีน้ำต่างๆน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำามกน้ำไขข้อน้ำปัสสาวะน้ำมูด นี่ก็มีอยู่ในร่างกายถ้าเราเห็นร่างกายของคนเห็นสามเซสามสิบสองส่วนเหล่านี้มันก็จะมันก็จะทำให้ อ, อ่ไม่ไม่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้าจะเห็นแต่หน้าเห็นแต่ผิวเห็นแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วเห็นต้องมอง มองทะลุหน้าให้ได้หน้านี่ก็เป็นหนังก็เป็นเหมือนหน้ากากคุมหน้าไว้ถอดหน้ากากออกเลยถ้าเอาหน้ากากออกมีอะไรก็มีกระกระโหลกสีสันยะ ม, มีใครไม่มีกระโหลกศีสษะบ้างนะแต่มองไม่เห็นกันนะแต่พอเห็นกระโหลกศีสันนี่กลัว ก, กันไปหมดเลยพอเอาหนังมาปิดหน่อยก็เลยไม่กลัวแล้วใช่ไหมเวลาไปขุด<ม> ไปไปไปปา่าช้าไปขุดป่าช้ากันนี้พอเห็นกะโหลกกันนี้ก็กลัวนะมันนอนอยู่ใน ด, ดินตั้นานไม่เห็นมันไปทำใครเลยส่วนกะโหลกที่มีอยู่ในตัวเราขับมองไม่เห็นขับไม่กลัวกันนะเวลาวิ้าวีผมนี่เห็นไหมกะโหลกมันอยู่ข้างใต้เนี่ยนะวผ้าวีผมแต่งหน้าเนี่ยภายใต้ผิวหนังนี่มันมีอะไรอ่เ หันนึกบ่อยๆถามตัวเองว่าภายใต้ผิวหนังนี่มีอะไรภายภายหน้าภายใต้หน้าเรานี่มีอะไรถ้าไม่รู้ก็ไปเปิดดูภาพกระดานึกดูภาพกระโหลกศีรษะดูแล้วต่อไปมันก็จะเห็นหนังมันก็จะใสเห็นกระโหลกเข้าไปข้างในเห็นเห็นเห็นเข้าไปในเห็นกระโหลกที่อยู่ภายใต้ผิวหนังได้ อาศัยนึกบ่อยๆคิดบ่อยๆอยาจารย์จะเรียกอะไรหรือที่บอกว่านั่งนั่งแล้วผ่านความเจ็บ ป, ะปะ<อ>่ะคะอาจารย์คือนั่งนั่งจนทนไม่ไหวแล้วบอกถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วก็คือมันต้องให้เจ็บหายไปแล้วเรานั่งอยู่ตรงนั้นให้ได้ถันจะผ่านใช่ไหมคะเอให้มันหายไปเองก่อนให้มันหายไปเองเอแต่ถ้ามันเป็นเป็ น, ปนหายหายแล้วก็กันงเจ้ามา ด, ดูอะไระเงี้ยก็นั่งไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะแบบหายเกิหายก็ได้ไม่หายก็ได้เคยอยู่กับมันได้อยู่กับมันอยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนหาว่ามาหลวงพ่อแล้วถ้าคืนนี้ไม่อยากเจอแล้วแล้วถ้าเรานั่งเนี่ยภาคนนั้นเนี่ยมาเกิดได้อย่างไรคะหลวงพ่อก็เพราะเราไม่พูดโทงไงก็พูดโทพอพูดโทไปเรื่อยๆก็จะนิ่งมาพบกก็็จะวดภาพขึ้นมาแล้วก็พูดโทต่อไปเล แล้วภาพพวกนั้นมาได้อย่างไรคร <c oughs> ับก็จิตของเรามันผลิตขึ้นมาเองหรือเปิดประตูรับมันเข้ามา <c oughs> มัน ถ, ามาถ้าเป็นข้างนอกก็เพราะเราเปิดประตูมันก็เข้ามาถ้าเป็นข้างในก็เราคิดไปเองถ้าเราพุทธโทมันก็ปิดประตูหยุดความคิดมันก็ไม่โผล่ขึ้นม า, า, า, อ, ยาอย่างตอนนี้นะมันไม่โผล่ <ทะ S 1> ตอนนี้เพราะเราคิดนู่นคิดนี่ใช่ มันก็เลยไม่มีช่องเข้ามาพอเราหยุดคิดปั๊บมันก็เปิดช่องให้มันเข้ามาถ้าเราไม่อยากให้เข้ามาเราก็พูดโทรต่อไปอสวดอิติปิโสไปก็ไ ด, ด้ถ้าเราอยากรู้เขาเราก็ต้องปอเปิดเหมือนมือถือเนี่ยถ้าเราปิดมือถือมันก็ใครโทรเข้ามาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วบางครั้งภาพอย่างอื่นที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้เหมือนกันนะั้นแหละมันก็ ภาพส่วนใหญ่ก็เป็นภาพที่จิตตูงแต่งขึ้นมาแล้วขอโทษนะคะถามตรงๆแล้วบางทีมันมาเป็นเลขแล้วมันเอาไปเลยเนี่ยมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันใกล้รู้ว่ามันตรงก็ตรงก็แล้วกันไม่ตรงไม่ใช่ตรก็ไม่ได้แทงนะก็อยากรู้ว่าตรงไหมทาไมมันถึงมาตรงๆอย่างนี้ก็ทําไม่แทงอะถ้ามันตรงกะไม่แทง แต่สงสัยวันเรกพวกนั้นมาได้อย่างไระไม่ได้คิดด้วยนะคะก็ไม่รู้แหละมันมาก็มันมามันมาก็รู้ว่ามันมาอ๋อมันมาก็รู้ว่ามาอ่ามันตรงก็รู้่ามันตรงแล้วดูสิมันจะตรงทุกครั้งหรือเปล่าว่านี้เห็นยากครับยเลยตกเลยกเลยคุณจะได้แบบตกไห ที่แล้วอะค่ะหนุ่มบอสนี้เล่าเลยนั่งไงนะครับหนุ่มบอมันนั่งปุ๊บนนเนี่ยเศษเศษเนี่ยมันมาเป็นกงๆยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ ะ, ะแล้วก็ไม่ทราบว่ามาได้ยังไงไม่เข้าใจแยค่ะก็มันมาแหละของตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปรู้ว่ามันมาอย่างไงมันมาเพราะว่าจิตเรามันตาดีก็แล้วกันถ้ามาการนี้จะเชื่อได้ก็ทดสองดูสิทางน้อยๆไปก่อน อแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวคืแต่ถ้านึกถึงจะไม่มานะคะนี่คือแบบมาเองอะค่ะหลวพ่อเขาอย่างนี้แล้วจะแทงหวยผิดซิงเขาส2งนะครับไม่ผิดเลยไม่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่เลยเขาโบยเงินไขคือรัฐบาลเนี่ยฮะก็คนเขายินดีให้ใช่ไหมทุกคนยินดีเอาเงินเาไว้เหมือนกันเล่นแชร์เนี้ย ขายเปี๋ยถูกก็เอาไปเอาไปใช่ไหมเพราะกลัวว่าซื้อหลายใบแล้วกลัวผิดคือเอาพอกซื้อใบเดียวไม่ผิดเวลาไปซื้อหลายมันไม่ผิดซีนแต่เขาก็ไม่อยากให้ทํามาหากินแบบนี้เพราะโอกาสที่มันจะเจ๊งมันมากกว่าได้เวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อใช่ไหมพอเล่นเวลาเสียก็จะต้องเล่นต่อเดี๋ยวทําไปทํามาเสียแล้วหยุดไม่ได้เดี๋ยวก็หมดนะหมดตัว เช่นบางคนเนี่ยคอยคอยตามเลขตัวเนี้ยตามมาทุกงวดแล้วตามแบบเบิ้ลไปเรื่อยๆงวดนี้แทงร้อยงวดหน้าต้องสองร้อยงวดต่อไปก็ต้องสี่ร้อยคือจะต้องททงใหถ้ถ้าถูกปั๊บจะได้คืนหมดเงี้ยแอบไปททงทําไมอยู่เฉยๆดีกว่าไ ม, ไม่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปไปไ ป, ไปเอาคืนเนี่ยนะพอเล่นเสียแล้วมันอยากจะเอาคืนละทีนี้ไม่ได้กําไรแล้วจะเอาของที่ตัวเองเสียกลับคืนมาแล้วเล่นแบบ ทางไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดตัวหลวงพาอคะท่งนไหมคะค <c oughs> ือนี้นั่งแล้วเขาหมาให้ช่วยเราทําอะไรแล้วเ ร, เราเราเราช่วยเขาได้แบบ เ, เล่านะคะเคที่เขามาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้ไปเปิดหนังสือบนโต๊ะจะมีหนังสือเขาอยู่เล่มนึ่งเขาเขียนไว้ให้พี่สาวเขาไปดูว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เราก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้จริงไหมแต่ว่าถ้าเราเราบอกไปแล้วช่วยเขาได้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างนี้เราก็ทำไม่ผิดใช่ไหมคะถ้าไม่ผิดศีลก็ทำได้ถ้าผิดศีลก็อย่าไปทำถ้าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็อย่าไปทำ ม, มันก็เหมือนคนเป็นน่คนเป็นเขามาขอร้องเรานี่กเขาไม่มีร่างกายเั้งนั้นเองเขาก็มาขอร้องเราเหมือนกับตอนตอนที่เขาเป็นคนเป็นอยู่มันก็ไม่ต่างกันตรงนั้น เนี่นใครก็มาขอร้องให้เราทําแล้วเราก็ต้องดูว่ามันถูกหรือไม่ถูกควรไม่ควรไม่ใช่พ่อๆเป็นคนตายแป๊บมาขออะไรต้องทําตามมันก็ไม่ใช่มันก็เหมือนคนเป็นนี่แหละคนเป็นหรือคุณตายย่ามาขออะไรแเราเราก็ต้องดูว่ามันสมควรหรือไม่ถ้าไม่สมควรก็ไม่ต้องทำเองเขาบอกว่าไปช่วยขโมยเงินให้หน่อยเราเอาเงินนี้ไปไปทําบุญให้กับเขาเนี่ย กำลังคิดว่าจะโทรหาพี่เขาดีไหมก็ไม่โทรแ ล, แล้วกันเราก็ต้องเราก็ต้องพิจารณาว่าเหมาะสมหรือเปล่าสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราบ้าได้ะก็ถึงได้มาถามหลวงพ่อไงว่าอยูบ้าออถ้าไม่ทำก็ไม่บ้าล่ะ <c oughs> ถ้าทํ า, าก็จะบ้ากันนะแต่เป็นเรื่องจริงนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ว่าจริงก็ไม่จริงหรื <c oughs> <c oughs> อบ้าเลยนะ <c oughs> ก็ทำจะทำะไไํำรายกายคิดว่ามันเกิดโทษและเกิดประโยชน์ก็แล้วกันถ้าทําแล้วเกิดประโยชน์ก็ทําไปไม่ว่าจะเป็นคนตายมาบอกหรือคนเป็นมาบอกถ้าทําแล้วเป็นประโยชน์กับใครก็ได้เงี้ยก็ทําไปแต่ถ้าทำแล้วเกิดโทษก็อยา่าทามันไม่สําคัญว่ามันแหล่งที่มาบอกเรามาทางไหนมาทางวิญญาณหรือมาทางคนที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็เหมือนกัน นิลาแล้วก็ไปงานเผาอะไรค่ะอเผาก็ไม่ได้เผาตัวเขาลตัวเขาไปแล้วไอ้ร่างกายนี้เป็นเพียงอ่าคนรับใช้เขาเท่าน yup. uh ั้นเองร่างกายนี้เวลาเราตายนี่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเราเป็นคนรับใช้เราเราใช้ร่างกายพาเรามาที่นี่เราสั่งให้มาที่นี่เราก็สั่งให้ร่างกายพาเรามา คนสั่งไม่ได้เป็นร่างกายรู้เปล่าคนสั่งเนี่ยที่เป็นคนเป็นวิญญาณไงเวลาตายไปเนี่ยคนที่คนที่เข้ามาเข้าหาเรานี่คนม่ีวิญญาณที่มาหาแค่จริงร อ, อ่ะก็ถ้าถ้ามันจริงก็จริงอ่ะถ้ามันไม่จริงก็ไม่จริงอ๋อค่ะเขามาหาใช่ไถึงบอกว่ามันเป็นได้สองทางไงมันเป็นดวงวิญญาณเขาเข้ามาแล้วเราฝันเพ้อเจ้อไปคิดไปเอง มันก็ได้สองทางด้วยกันแต่วิญญาณมีไหมมีเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นวิญญาณแต่เราไม่เรียกว่าวิญญาณเราเรียกว่าใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยพอร่างกายนี้ตายไปผู้รู้ผู้คิดนี้ก็แยกออกจากร่างกายไปยก็เราก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวิญญาณเหมือนเด็กตอนเป็นเด็กก็เป็นเด็กชายเป็นเด็กหญิงใช่ไหย พอโตขึ้นมาก็เป็นนางสาวเป็นนางไปเป็นนายไปเปลี่ยนชื่อแต่ตัวก็ตัวเก่าตัวคนเดิมงั้นผู้รู้เวลาที่ถามตอบกันที่เขาเรียกกันว่าผู้รู้นี่ก็เกิดจิตของเราใช่เออถ้าไม่มีผู้รู้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องอผู้รู้ผู้คิดนี่เกิดจิตผู้รู้คือตัวเรานะค ะ, ะผู้รู้ผู้คิดก็ตัวเราเหมือนกันมีสองตัว ผู้รู้สึกนึกคิดเนี่ยหละคือไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเวลาไม่มีผู้รู้อยู่ในร่างกายนี้เอาเข็มไปเท่งเอาเข็มเอาเข็มไปทิ่มมันมันสะดุ้งไหยเวลาเอาเข็มไปทิ่มศพนี่มันสะดุง้งไหมเอามีดไปผ่ามันสะดุง้งไหมเพราะผู้รับรู้ไม่มีแล้วผู้รู้ผู้รับรู้สิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกายไม่มีแล้ว ร่างกายเองไม่มีความสัมผัสรับรู้เนี่ยก็ น, นั่นแหละมันไม่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วเนี่ยมันผู้รู้ผู้คิดนี่มันตัวเดียวกันอะอ๋อตัวเดียวกันอ่มันตัวเดียวกันตัวรู้ตัวคิดเนี่ยตัวรู้สึกเนี่ยมันตัวเดียวกันนั้นสิ่งที่ถามตอบหรือเป็นผู้รู้ถามตอบเนี่ยไอตอนนี้ก็ไปคุยกับเราได้เวลาเรานั่งสมาธิก็เข้าไปคุยกับเราได้เอ เช่นแม่ชีเนี่ยท่านก็นอย่างที่เล่าให้ฟัง่งควายตายวิญญาณของควายก็เป็นตัวรู้ตัวคิดนี่มันก็มาคุยกับแม่ชีได้มาเล่าให้แม่ชีฟังว่าเกิดขึ้นอะไรกับร่างกายของมันร่างกายนี้ก็เป็นเป็นเหมือนคนใช้มันไม่ใช่เป็นตัวมันตัวมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะว่าที่ถามของพ่อก็คือว่าถ้าผู้รู้ของพวกคุยกันแล้วเราถามตอบนี่กค ยังไม่ได้ตอบได้คือมันอย่างที่มันเป็นได้สองอย่างบางทีเราคิดไปเองเหมือนนอนฝันไปนี่ส่วนใหญ่เราจะฝันเราจะคิดไปเองแต่ก็มีโอกาสที่ดวงวิญญาณจะมาเข้าฝันก็ได้เทวดาเทพบรรดาลก็มีบางทีเทวดามาเข้าฝันเราให้ไปทำนู่นทำนี่ก็มี เรื่องของเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณนี้มันเป็นเรื่องของที่มันมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกับเรื่องที่เราเห็นด้วยตาของเราคนเราเรื่องกันแต่ใครรู้ง่ายๆว่าเราเนี่ยมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือร่างกายอกส่วนหนึ่งคือจิตใจร่างกายนี้เป็นส่วนที่ต้องตาย แต่จิตใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกายแล้วร่างกายนี้มันก็เป็นลูกน้องไม่ได้เป็นเจ้านายผู้ที่เป็นเจ้านายก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เราใช้เราสั่งให้ร่างกายมาที่นี่ได้ถ้าเราไม่สั่งร่างกายมันก็ไม่มาถ้าเราไม่คิดว่าวันนี้จะขึ้นมาวันนี้เราก็ไม่ได้ขึ้นมา <S <S ผู้รู้ผู้คิดเป็นคนสั่งให้ร่างกายพาผู้รู้ผู้คิดมาตรงนี้ แล้วก็จะได้มาคุยกันตามที่คุยกันนี้ก็คือผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้คุยโดยใช้ร่างกายนี้เป็นสื่ออย่างนั้นถ้าเกิดมปฏิบัติแล้วผู้รู้ผู้คิดมีอยู่หรือว่าถามตัวเองอย่างนี้แล้วยังไม่ได้กลับไ ป, ปิสงบมันทำผิดหรือเปลาะเออมันถ้าปฏิบัติแล้วเจ็ไม่สงบก็เหมือนไม่ได้ปฏิบัติเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร ว่าการปฏิบัตินี้เราต้องการปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขใจแล้วก็ดับความทุกข์ใจถ้าเราไปคิดดีไม่ดีเดี๋ยวไปคิดแล้วทำให้ทุกข์ใจขึ้นมาก็ได้เขาอย่างือกเก็ทุกข์ใจว่าจะต้องถ้าเราไม่ไปคิดถึงเขาจิตเราสงบเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้แล้วเราว่าเรารู้แล้วก็ได้ ่าวาาแล้วผู้ปว่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจที่เขาไม่มีคอนเชียดแล้วอะคะ่ะ<ต>เออแขาก็ายังเข้าไปอยู่ไหนอะคะเขาก็ยังอยู่อยู่กับร่างกายอยู่ถ้าร่างกายยังไม่ตายเขาก็ยังไปไม่ได้เองแต่เขาไม่สามารถติดต่อเราผ่านทางร่างกายได้ก็อยู่อย่างนั้นอ่าอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าร่างกายจะจะตายเขาถึงจะไปได้ อั น, น้นก็ยังเป็นเหมือนคนเป็นอยู่เพียงแต่ว่าไม่สามารถใช้ร่างกายติดต่อแบบพวกเราได้เพราะร่างกายเขาเชำรุดทุดโทรพูดไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ไม่เป็นดวงวิญญาณจะไปติดต่อกับวิญญาณของคนอื่นก็ได้ดวงวิญญาณเขานี่ใจของเขานี่สามารถติดต่อกับจิตกายทิพย์รูปอื่นได้เช่นเนี่ย แม่ชี่นี่แกยังไม่ตายแกนั่งสมาธิแกก็สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณของของคนอื่นได้แต่จะติดต่อกับวิญญาณของคนที่คนเป็นนี้ต้องใช้ร่างกายติดต่อกันอย่างเขาจะติดต่อกับเราเขาต้องลุกขึ้นมาแล้วพูดคุยกับเราได้เขาจิงจะติดต่อกับเราได้แต่ถ้าเขามีพลังจิตเขาสามารถติดต่อกับเทวดาได้โดยที่ เขาอยู่ในห้อง ICU อยู่ในโดงวยาบาลใช้เครื่องหายใจอยู่แต่ใจของเขาไม่ได้เป็นอะไรเหมือนไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจของเขาก็สามารถที่จะติดต่อกับกายทิปได้ติดต่อกับดวงวิญญาณของผู้อื่นได้แต่ไม่สามารถติดต่อคนเป็นได้เพราะคนเป็นนี่ต้องติดต่อกันด้วยร่างกาย เข้าใจไหมมีอะไรไหมนี่ไม่มีครับพอคนเดียวพอครับเอ็งก็จะให้พรก่อนนะมันก็ผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วเอาวางไว้โมทนาคือสรุปก็คือให้เรารู้ว่า การเวียนว่ายตายเกิดนี่มีจริงร่างกายนี้เป็นเพียงที่อยู่ชั่วคราวของใจใจมาเกาะร่างกายนี้อยู่อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือทําอะไรติดต่อกันแต่พอ ร, ร่างกายนี้หม ด, หมดสภาพไปใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกาะใหม่ไปใช้ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วบุญบาปที่ทําก็ต้องไปรับด้วยไปรับ บุญพาไปบุญก็จะพาให้ใจมีความเย็นความสุขเวลาบาปพาไปก็จะทําให้ใจร้อนใจมีความทุกข์อันนี้ก็เป็นเรื่องของใจหรือดวงวิญญาณที่ออกจากร่างกายไปเน้นเพื่อเราทุกจะได้ไม่ประมาทกันจะได้เชื่อบุญเชื่อบาปกันแล้วเราจะได้ไม่ทําบาปทาแต่บุญเพราะบุญมันมั เ, นเหมือนเงินทองบาปมันเป็นเหมือนหนี้สิน่ะ อย่าไปก่อนนี่เอาเงินไปฝากธนาคารดีกว่าต่อไปเวลาจะใช้เงินก็เบิกได้ถ้าไปเป็นหนี้ก็ต้องไปคอยใช้หนี้อย่างนี้ก็ต้องคอยหนีเจ้าหนี้อยู่ด้วยนะนี่คือเรื่องของวิญญาณที่เราคุยกันในวันนี้มีจริงไม่ตายวิญญาณไม่ตายไปกับร่างกายวิญญาณเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปและเป็นผู้ไปกลับกลับมาเกิดใหม่ ออาละนะก็ขอให้เชื่อนะว่าวิญญาณมีจริงตายแล้วไม่ตายตายแล้วไม่ตายแล้วไม่สูนตายแล้ววิญญาณก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อเมื่อหมดใช้บุญบาปไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เราได้ร่างกายภพวาสนานยมนุษย์เราทาไมถึงมีคนที่มีบารมีกับคนที่อาภาพวาสนา ก็พอมาจากคนลาจุดกันคนที่กลับมาจากการไปใช้บาปก็มาแบบอาภัพวาสนาคนที่มาจากบุญจากการได้ไปใช้บุญบุญสวรรค์กลับมาก็กลับมาด้วยบารมีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ตอนที่ท่านเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ทำบุญมากพอท่านตายไปท่านก็ไปสวรรค์ก่อนพอท่านใช้ ใ ช, ใช้บุญที่สวรรค์หมดแล้วท่านก็กลับมาเป็นมนุษย์ก็เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะบาลมีอันนี้สองที่เกิดจากการทำบุญในชาติก่อนถ้าทำบาปในชาติก่อนก็กลับมาอาจจะกลับมาเกิดเป็นสุนัข ก, ก่อนก็ได้อาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะยากจนเป็นขอทานอะไรทานองนี้ขอให้เราเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อการเรียนว่าตายเกิด แล้วเราจะได้กระทำในสิ่งที่เราควรจะกระทำเกือทาแต่บุญบาปไม่ทาแล้วก็พยายามมาปฏิบัติทำเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาพึ่งนางกายต่อไปเมื่อเราไม่ต้องพึ่งนางกายเราก็ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปนะนะ พอเกิดเกิดแล้วมันทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องมาหากินหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่เหนื่อยไหมแต่ละวัน <c oughs> อาว่ามาว<ร>ันนี้อาจารย์วิทยาศาสตร์ตรงบ้านอำเภอเหรอครับ <c oughs> ต้องเข้าทางเซเวลเล่นใช่ไหมครับเซเว่นกับเอวิกซ <c oughs> ี่นะนะวันนี้จารย์ได้ไปคอยดูไปทุกวันนะถ้าถ้าถ้าไม่เจ็บไายได้ป่วยหรืออะไรนะอ อ่าได้ก็พอสมควรแก่เวลาใครต้องการจะไปก็ไปได้นะใครจะอยู่ต่อก็ยังมีเวลาเดี๋ยวจะมีคำถามจากทางบ้านเข้ามาอนนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแล้วเนี่ยพูบ้านกดในเฟซบุ๊กเไปเจอครับส่งมาพเพ่เจอเพื่อนเียถึงพัชรเนวั น, นานเลยครับาเอเนี่ยมีมีการแชร์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มีคนกดชอบเจ็ดหืนแล้วมั้ง 70,000 ถ่ายอทอดสดทุกคนืนถ่ายทอสดสดทุกวันช่วงบ่ายสองโมงถึงสี่โมงหลังจากนั้นก็เก็บไว้เป็นเป็นไฟล์คลิปดูได้ดูย้อนหลังได้ทำไมนี่เทคโนโลยีมันทันสมยัยไฟล์นี้เก็บไว้ได้เยอะแยะเลยอย่างนี้ต่อไปนี้ใครทำอะไรก็ ถ่ายทอดสดได้หมดต่อไปแต่งงานกันก็ถ่ายทอดสดได้มีมีมือถือเครื่องเดียวก็ถ่ายทอดสดได้นะเก็บไว้ในเ facebook ได้เก็บไว้ใน y o u ูทูบได้ไม่อยาเห็นเห็นก็ต้องเห็นเลยมันเห็นก็เห็นอ่ก็เหมือนตอนเนี่ยเราเห็นอะไรก็เห็นไปมันผิดตรงที่เราไปทําอะไรไม่ดีมันก็ผิดเน ถ้าไม่ทำก็ไม่ผิดถ้าไม่ไปขโมยเงินเขาก็ไม่ผิดถ้าไม่ไปโกหกเขาก็ไม่ผิดงั้นเห็นเลยอย่าไปบอกเขาเนี่เดี๋ยวเกิดมันไม่ตรงหลักที่ราบรองขโมยโกหกเขาได้นะ อ, อย่าบอกนะถ้าบอกก็ต้องบอกเขาว่าไม่แน่นะเดี๋ยวเดี๋บอกว่าหนาแล้วก็ทุ่มมีเงินเท่าไหร่ก็ออกทุ่มหมดขอสองตัวเท่าไหร่ ็นงานลูกสาวสบายดีเหรอสบายสบายครับท้องคนที่สามยุดท้องไม่กวรเหรอมีคนที่สามแล้วเหรอผู้ชายคอตุลาต้นลุมพ า, มพาอมีลูกไม่อายุเท่าไหร่นะ้งท่ครับทั้ที่สองแล้วจัดแข่งเทควันโดลีดทันทีที่ีแพเมื่อวานก็วันไหนว่าแข่งท่อสดได้เมื่อวาน คำสาวสาว่าจัดทีมนาเด็กคนดีถ่ายข้อสดช้อสามเอ็ดดีสองชั่วโมงอดสกศูนย์กีฬาปั้นเด็กๆขึ้นไปอะมีเด็กติดทีมชาติจนมากเงี้ยเยอะครับเยอะมีเด็กนุ่นยุสิบ้อนสิสามมอเก่งนั่นเลยครับดีพอสิบห้าสิบหกนี้ก็ติดทีมชาติแล้อคราวนี้แล้ถ่ายได้กี่เหรียญทองกี่เหรียญนะ อ๋อทายได้ที่ไปโอลิมปิกรอบนี้นี่หนึ่งเหรียญเงินหนึ่งทองแดงครับก็ได้เพ่มาสองเหรียญมากทีเดียวนะได้เหรียญทองแดงเหรียญเดียวมดก่อนน่นและอันนี้ของแทกอนโดะไทกอนโดะไม่ได้ทองได้เงินกไม่ได้ทองไม่ได้องมีเยอะหนักได้เยอะครับน็อกแม็กได้สองทองสองทองเงินนียนะสอเงินการเป็นกีฬาก็เล่นไป ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ไมไ่เสียหายตรงไหนน้ำใจนาะกีฬาเราเล่นเพื่อออกกำลังกายอาลองเปิดให้คนที่ทางบ้านมาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะวันนี้ยูทูบมีมีสี่สิบแปดคนครับแล้วก็เชอรันเชอรันบอกว่าลองแฮปปี้ไลฟ์ทูออล อไ ม, ไ, มไม่ได้ถามไม่ได้ถามให้พอนะี <c oughs> แล้วทางทางเฟซบุ๊กกี่คนนะเฟซบุ๊ก <c oughs> มีสามร้อยสิบแปดตอนนี้เหลือสองร้อยสิบห้าอ่ า, อามีคำถามก็ <c oughs> เอาเข้ามาครับคำถามได้จากอินอินบ็อกซ์นะครับจากคุณพักพรครับมีเรื่องเคยทะเลาะแต่ลูกก็ได้วางลงแล้วจริงๆไม่อยากพูดถึงแต่แค่สนทนาธรรม พ่อลูกพ่อลูกคุยธรรมะกับแม่แต่เขาได้ยินเขาก็แก้งอ้วกดังๆใจลูกเจ็บชิตลูกลูกรู้ว่ากิเลสกำลังมาอยากจะด่าอยากจะโกรธปกติจะท่องพุโทโธแต่พอรู้ทันเพราะใจมันเริ่มร้อนลูกดูมันเฉยๆประมาณหนึ่งนาทีใจมันก็สงบไปเองคำถามนี้คือ ลูกใช้สติจับกีรติไว้ใช่ไหมคะและดับมันเออใช่ใช้สติยังไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาก็ต้องไปแก้ที่ความอยากของเราอยากไม่ให้เขาแสดงอาการที่เราไม่พอใจทำให้เราไม่พอใจเราต้องปล่อยเขาเพราะอยากจะแสดงอาการยังไงก็เรื่องของเขาเขาจะอ้วกไม่อ้วกก็เรื่องของเขา เราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่ไปยึดไปไปยึดติดกับอาการของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาไม่โกรธไม่อะไรและข้อสองครับลูกเคยใช้ปัญญาสอนใจว่าโต้ต่อไปกี่ครั้งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นต่อไปเราจะวางทุกเรื่องลงดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นข้อสอบแล้วลูกสอบผ่านไหมเจ้าคะก็ลองดูสิเออมันนี้ ต้องทำไปเรื่อยๆต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆถ้าใช้ปัญญาแบบนี้ยังไม่ผ่านอะต้องใช้ปัญญาว่าปากของเขาตัวเขาเขาจะพูดก็จะทําอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้เราอย่าไปอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนีนงนน้ถ้าเราไม่มีความอยากในในการกระทําของเขาแล้วก็จะทำไงก็ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นและก็สามถ้า ถ้ากำจัดกิเลสได้จริงถ้าหูได้ยินข่าวรอเรียนจะไม่มีอาการเจ็บอาการร้อนให้ดับอาการร้อนให้ดับเลยใช่ไหมคะใช่เพราะเราไม่มีความอยากให้เขารอเรียนหรือไม่รอเรียนเขาอยากจะล้อก็ปล่อยเขารอไปเ็าไม่อยากจะล้อก็ไม่ต้องล้อเราไม่สนเสอยคำถามจากคุณทัติยา ปกติชอบการปฏิบัติธรรมแต่ก็เป็นไปในระยะสั้ น, นถ้านานมากก็จะติดขัดเพราะต้องทำงานประจำด้วยตอนนี้มีข้อคำถามเกิดในใจหลังจากเข้าวัดบวชเน่ขัมามเป็นระยะปรากฏว่าสิ่งที่ใจต้องการคือความนิ่งไม่คิดอะไรเลยแต่ตอนนี้ปัญหาคืองานประจำและงานที่ต้องเขียนนิยายจิตนิ่งชนิดที่ไม่อยากคิดอะไรทั้งสิน้นซึ่งมันขัดกับการทางานที่ต้องคิดพิ้ล็อกต่าง ขณะที่ยังเป็นคารวาสผู้ครองเรือนยังต้องทํางานหลักและเสริมแต่ตอนนี้เขียนนิยายไม่ได้เลยค่ะเพราะจิตมันไม่เอาด้วยจิตไม่อยากคิดด้วยยกเว้นจะเปลี่ยนไปแนวทางเขียนธรรมะแต่ก็ติดขัดว่าคนอ่านจะอ่านมากน้อยแค่ไหนในขณะที่เรายังต้องทํางานหาเล้งชีพตอนนี้ก็เลยค่อนข้างสับสนหาความสมดุลหรือความพอดีให้กับชีวิตได้ยากค่ะขอทางแนะนําจาก อ, อาจารย์ด้วยค่ะ เราถ้าเรามาทางธรรมเราก็ต้องตัดทางโลกไปเราก็ต้องลดการการกระทําทางโลกไปเราก็จะได้มาทางธรรมได้ถ้าเรายังอยากจะอยู่ทางโลกอยู่เราก็ต้องลดทางธรรมไปมันเหมือนชักกะเยอะกันหนึ่งกันไปหนึ่งกันมาเพราะทางธรรมนี้ต้องการหยุดคิดทางโลกต้องคิดต้องจินตนาการ อย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้ก็ได้ยินม้ว่าอาชีพพวกนักเขียนนักสแสดงอะไรเนี่ยมันปฏิบัติทํายากเอก็มาเป็นพระไงเป็นอาชีพมันอาชีพพระทุกคนอะไม่ว่าอาชีพไหนมันก็ต้องใช้ความคิดทั้งนั้นแหละคิดมากคิดน้อยมันคิดกันทั้งนั้นแหละงั้นถ้ามถ้าอยากจะมาทางธรรมมันก็ต้องมามาบวดกันถ้าไม่เช่นนั้นก็เป็นมือสมัครเล่นไปก่อน ทำแต่เฉพาะวันหยุดวันทำงานก็อย่าไปทำวันทำงานก็ไปคิดไปทำอะไรไปพอวันหยุดก็มานั่งสมาธิมาหยุดความคิดกันก็เหมือนกับพักผ่อนทางร่างกายร่างกายเราก็ยังต้องพักผ่อนไม่เหรอเราไปทำงานกันกลัว่าเหนื่อยเราก็ต้องมาพักผ่อนมานอนมาอะไรจิตก็เหมือนกันจิตคิดมากๆมันก็เหนื่อยพอเราไม่ต้องเรากลับมาอย่าทา ง, งานก็อย่าไปคิดสิ ลกลับมาแล้วเราก็พุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิทำใจให้สงบมันก็เย็นสบายแต่ถ้าเราอยากจะเอาความสงบไปตลอดเราก็ต้องเลือกมันมันเอาสองอย่างไปได้มันขัดกันนะมันอยู่คนละอยู่คนละด้านเหมือนเหรียญเนนีะ่มันมีหัวก้อยถ้าจะหงายหัวขึ้นมาก้อยมันก็ต้องลงไปข้างล่างความลงไปถ้าจะให้หน้าก้อยหงายขึ้นมาหน้าหัวก็ต้องควาลงไป หรือความสว่างกับความมืดเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมไม่ได้ถ้ามันมืดก็มันก็ไม่สว่างใช่ถ้ามันสว่างมันก็ไม่มืดถ้ามันสงบมันก็ไม่คิดถ้ามันคิดมันก็ไม่สงบก็ต้องเลือกเอาจะเอาทางไหนแต่ถ้าเรายังจะเอาสองทางก็เลือกได้แบบวันไงวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ไปคิดให้พอออาวันเสาร์อาทิตย์ก็มาหยุดคิดก็ยังทาได้อยู่ แต่ถ้าจะเอาทุกวันหยุดคิดทุกวันมันก็ต้องไปบวชนะเพราะอาี่บวชนี้เขาจะให้ไม่ต้องคิดอะไร YouTube YouTube มีโทนี่มาแล้วฮะจากว a สเบิกัใช่ไหมวอสเบิกัสโทนี่โทนี่บอกว่า Good afternoon อาจารย์พุทโ has been working for me when I think too much Thank you for your advice เต่แม้ฝลั่งก็ยังใช้พุทโธได้เลยพุทโธนี่มันมันหยุดความคิดได้ไงกินแล้วฟุ้งซ่านแล้วก็พุทโธพุทโธไปเนี่ยมันก็หายโอกาสเขาตาครับพี่เมื่าเรานอนไปแล้วตอนเช้าตื่นมาเข้าห้อน้ำเนี่ยมันจะมีความคิดเข้ามาเร็วมากครับตายมันเลยแบบตุบๆเข้าตรงนี้เลยครับเราก็สู้มั้ครับมันพอมาแปบกมันมาแบบเร็ว รัวไปเลยแล้วก็บางทีก็มีเสียงเพลงมันก็เสียงเพลงเข้ามาก็ดูกันมานีิฮะดูมันก็บางทีดูมันไม่ไม่ไหวก็เอาพุทโธใส่เข้าไปเลยเอพุทโธพุทโธทโมันก็หายครับใช่าหายก<ด>็ไปเลยรัวเลยถ้าถ้าดู<อ>มันไม่หยุดอะถ้าดูมันก็จะมาเรื่อยๆเราต้องใช้พุทโธมันถึงจะหยุดใช้พุทโธใช้สวดมนต์ไปเนี่ยมันก็หยุดได้เนี่ยคือเราเราหยุดความคิดด้วยการเอาความคิดมาคิดในทางพุทโธ มันก็ไปคิดเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจไม่ได้โอเคทนี I forgot to say <laughs> I forgot to say uh, very good uh, you make other people feel more uh, encouraged from your experience yeah. this will make people think about using k u t o when they want to stop thinking คำถามจากคุณพานุวัฒน์นั่งสมาธิไม่นานก็ปวดขาท่านพระอาจารย์บอกความปวดไม่ทรมานสิ่งที่ทรมานคือความอยากให้มันหายปวดเราจะมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับที่เราสามารถวางอุเบกขาให้ผ่านความเจ็บปวดไปได้เพราะไม่เคยผ่านมันไปได้เลยครับก็นี่แหละท่องพุโทโธไปไงถ้าท่องพุโทโธไปมันก็จะไม่สามารถอยากคิดให้ความเจ็บหายไปได้มันก็จะ เป็นอุเบกขาไปในตัวต้องท่องพุทโธไปที่มันทรมานก็คืออยากลูกอยากให้มันหายคิดอยู่องนั้นแนหะแต่ถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันความอยากคิดอยากจะให้มันหายนี่มันก็จะหายไปแล้วมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้ความเจ็บบางทีก็หายไปบางทีก็ไม่หายแต่ความทรมานหายไปพอความทรมานหายไปแล้วความเจ็บไม่เป็นปัญหาเลยอยู่กับมันได้ ลองทําดูสิเวลามันเจ็บแล้ว<ม>พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธแบบที่เมื่อกี้โยมพูดอ่านมันเข้าไปเลยท่องมันเข้าไปพุทโธรัว่ว ก, กลวกับเข้าไปเลยลไลย อ, อม้มันขาดใจไปกับพุโทโธเลย เ, เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายแล้วจะนั่งต่อไปได้แต่ต้องขยันพุโทโธหน่อยก็คิดเรื่องอะไรคิดได้ทั้งวันทั้งคืนพอให้มาคิดพุดโทโธให้นี้ไม่อยอมคิดแล้ว ลองหัดพุดโทโธไปตอนนี้เราไม่ซ้อมไม่ก่อนเดี๋ยวเวลาจะใช้พุโทโธมันเลยใช้ไม่ออกอย่างตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรวันๆหนึ่งก็พุโทโธพุโทโธไปหรือหัดท่องพุโทโธไว้เป็นเป็นเหมือนกับให้มันเป็นติดเป็นนิสัยไปแล้วพอเราจะต้องใช้มันมันก็จะง่ายคําถามจากคุณกาบันคนที่เขาคิดค่าตัวตายเพราะเขาเบื่อหน่ายตัวเองยอมสละแม้ชีวิตตัวเอง ทิ้งได้ซึ่งร่างกายตนเองแบบนี้ถือว่าเ้าละกิเลสได้หรือไม่ไม่ได้หรอกความอยากตายเนี่มันกิเลส เ, <LEGO. S 2> เป็นละถ้าอยากจะละกิเลสก็ต้องละไอตัวความอยากตายอยากฆ่าตัวตายนี่เป็นกิเลสถ้าจะฆ่าต้องฆ่าไอความอยากฆ่าตัวตายอย่าไปฆ่าร่างกายร่างกายมันไม่รู้อิหนายนี่ยฆามันความอยากตายความอยากฆ่ามันก็ยังอยู่ความอยากฆ่าตัวตายมันก็ยังอยู่ เดี๋ยวข้าหน้าเป็นมาเกิดใหม่มาเจอปัญหาใหม่มันก็จะฆ่าตัวตายใหม่แต่ถ้าเราฆ่าความอยากฆ่าตัวตายได้ชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะไม่ฆ่าตัวตายต่อไปยิงต้องฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าร่างกายการฆ่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นฆ่าการฆ่ากิเลสกิเลสก็คือความอยากความอยากความอยากฆ่าตัวตายนี่เป็นกิเลสอย่าไปคิดว่าพอฆ่าตัวตายแล้วละกิเลสได้มันไม่ใช่ เข้าใจผิดกิเลสมันฉลาดนีมันหลอกเราทั้งขึ้นทั้งลงเลยเวลาอยากอยู่มันก็เป็นกิเลสอย่างๆเชื่อไหอยากตายก็เป็นกิเลสอย่างบางคนคิดว่าโอ้ยเราไม่อยากจะอยู่แล้วเราอยากจะตายนี่แสดงว่าเราละกิเลสได้แล้วไม่ใช่หรอกที่มันอยากจะตายเพราะมันอยู่แล้วมันทุกข์มันถึงไม่อยากจะอยู่เวลามันสุขมันอยากจะตายไหยไม่มีใครอยากตายเลยอยากจะสุขไปนานๆใช่ไหม มันก็อยากเองอะคนที่ไม่มีความอยากก็จะเฉยเฉยทุกข์ก็อยู่ได้สุขก็อยู่ได้ตายก็อยู่ได้ต า, ตายก็ตายได้อยู่ก็อยู่ได้อยู่แบบทุกข์ก็อยู่ได้แต่คนคนที่ไม่มีกิเลสอยู่ไม่อยู่แบบทุกข์หรอกที่ทุกข์มันไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายทุกข์เพราะใจทุกข์เพราะความอยากเพราะสูญเสียสิ่งที่ ให้ความสุขกับเราไปมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาก็อยากจะให้มันกลับมามันไม่กลับมาก็เลยทุกข์ังนั้นความทุกข์มันเกิดจากความจากกิเลสเกิดจากความอยากถ้าเราฆากิเลสได้ฆ่าความอยากได้เราจะไม่ทุกข์ร่างกายจะอดอยากขาดแคลนร่างกายจะพิกลพิการเป็นเอามาพึกเอามาผเป็นโรคร้ากาดขนาดไหนใจก็จะไม่เดือดร้อนถ้าใจไม่มีกิเลสแล้วใจจะสบาย ไม่ทรมานกับร่างกายเห็นจะฆ่าให้ฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นจำเลยตัวที่เป็นจำเลยก็คือกิเลสตัณหาเพราะมันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจคําถามจากคุณสมชัยผมตื่นมาก็ภาวนาเลยครับแล้วภาวนา ภาวนาพิจารณาความตายไปตลอดจนเข้านอนจิตผมเป็นอย่างไรครับอคุณมาถามแล้วทำไม <c oughs> คุยก็ดูในจิตคนสงบแล้วไม่สงบถ้าจิตสงบจิตสบายก็ก็ใช้ได้ถ้าถ้าพิจารณาแล้วกลัวตายเครียดอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้บางคนคิดถึงความตายไม่ได้ก็แสดงว่าจิตยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงความตายแต่บางคนคิดถึงความตายแล้วสงบไม่โลภไม่อยากได้อะไรเอ อย่างนี้ก็แสดงว่าจิตเขามีพลังรับความจริงได้จิตบางคนนี่ยังรับความจริงไม่ได้พอให้คิดถึงความตายนใจสั่นขึ้นมา ท, ทันทีอย่างนี้นก็เราใช้อย่างอื่นใช้พุโทโธแทนคำถามจ้าคุณสุพินดาถ้ามีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้อวัดที่งดงามและท่านมีฤทธิ์ท่านปลุกเสกพระให้ลูกศิษย์ด้วย หรือทํายันป้องกันอันตรายให้ลูกศิษย์หนูควรมีทีท่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คะเพราะส่วนตัวทราบว่าเร็่มีจริงแติถ้าท่านปฏ<ต>ิบัติดีปฏิบัติชอบจริงถ้าไม่ทำเนาะท่านก็จะสอนธรรมะท่านั่นแหละเพราะทําว่านี่เป็นของที่มีประโยชน์ไอ้บุกเสกวัตถุมงคลทั้งหลายไม่มีประโยชน์กับจิตใจไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเนี่ยใครจะปฏิบัตินี่ปฏิบัติชอบเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยนั่งฝึกเสกไหมมีแต่แสดงธรรมรู้จักพุทธกิจห้าไยมกิจภารกิจของพระพุทธเจ้าประจำวันนี้มีอยู่ห้าห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งอบรมสั่งสอนญาติโยมในตอนบ่ายข้อที่สองตอนค่ำอบรมสั่งสอนภิกษุสมัมเณยข้อที่สามในายามดึก อบรมสั่งสอนเทวดามีแต่สอนเท่านั้นแล้วข้อที่สก่อนตอนตื่นขึ้นมาก่อนจะออกบินธบาตก็เลงยานไปดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษแล้วข้อที่ห้าก็ไปโปรดสัตว์ไปบินธบาตนี่คือกิจวัตรประจําวันของพระพุทธเจ้าไม่มีข้อนั่งปลุกเสกวัตถุมงคลไม่มีข้อนั่งอาบน้ํามนต์ให้คนนั่นอาบน้ํามนต์ให้คนนี้มีแต่ธรรมะเนี่ย ไม่ไม่อะไรจะประเสริฐโลกเท่ากับธรรมะวัตถุมงคลที่แท้จริงก็คือธรรมะนี่แหละอาจารย์ห น, นังสือเนี่ยเอาไปเนี่ยเป็นวัตถุมงคลทั้งนั้นลูกอะ่ะถ้าสามารถเราหนังสือเริ่มนิส่เข้าไปในใจได้กิเลสตายหมดเลยอความทุกข์หายหมดเลยแล้วไม่ต้องไปขอไม่จะไม่มีความอยากได้เงินได้ทองอยากได้อะไรแล้วคนที่ไม่มีกิเลสนะ่ะอยู่เฉยเฉยสบายไม่เดือดร้อน ความตายก็ไม่กลัวภัยอะไรต่างๆก็ไม่กลัวแล้วมันจะเอาไปมีวัตถุมงคลมาป้องกันทไมวัตถุมงคลมันป้องกันภัยได้ไหรือเปล่ามันก็ตายอยู่ดีใช่ไหมฉะนั้นขอให้เราอย่าไปหลงกับของพวกนี้ถ้าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆมันท่านจะไม่ทําอย่างนี้แต่ยายิยมเป็นคนที่ดูเพชรไม่เป็นอ่ะ คนขายเพชรกับคนซื้อเพชรนี่ไม่เหมือนกันนะคนซื้อเพชรดูไม่ออกอะเพชรจริงเพชรปลอมนี่แต่คนที่เขาขายเพชรนี่เขาจะรู้เขาศึกษามา<ว>คนที่อยู่ในวงการซื้อเพชรขายเพชรนี่เขาจะรู้กันแต่พวกเราที่ไปซื้อเพชรนี่เราไม่รู้หรอกอาศัยชื่อเสียงของร้านเป็ น, เ ป, นเป็นตัวรับประกันท่านเองว่าเป็นขายเพชรจริงอันนี้ก็เหมือนกันญาติโยมดูพระดูไม่เป็นหรอก จริงๆดูให้เป็นเนี่ยดูก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงดีจริงหรือ ไ, ไม่จริงก็ไม่รู้หรอกแต่พระกับพระด้วยกันเนี่ย ด, ด, ดูได้ดูได้เหมือนคนที่อยู่ในวงการใช่ไหม<ช>คนอยู่วงการอะไรนี่คนจะรู้ดีกับคนนอกวงการเพราะัการที่บอกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราไปปลูกเศษวัตถุมงคล น, นี่มันฟังแล้วมันขัดกัน คำถามจากคุณเกษรินทุกวันนี้อยากไปบวชมากครับแต่ยังห่วงพ่อแม่ท่านแก่แล้วผมเลยทำได้แค่รักษาศีลห้าให้ทานและภาวนาวันละสามสิบนาทีอยากถามพระอาจารย์ว่าเพียงพอไหมครับที่จะเข้าถึงวิปัสสนาเพราะทุกวันนี้น่าจะเป็นเพียงสมถะภาวนาครับเออคงไม่พอหรอกสมาธิยังไม่ได้เลยละจะไปวิปัสสนาได้ไหมสามสิบนาทีนั่งนี จ, จิตไม่สงบหรอก ขนาดหลวงตานี้ท่านตอนที่ท่านบวชหกปีแรกท่านบอกท่านต้องไปเรียนหนังสือเรียนปริยัตเรียนประเวียนท่านมาจิตเคยสง บ, บแค่สามครั้งนี้ขนาดเป็นพระแล้วก็แต่ก็เวลาปฏิบัติก็ยังไม่ได้เต็มที่เพราะท่านต้องเรียนหนังสือแต่พอท่านไปปฏิบัติอยู่กับหลวงหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านบอกท่านนั่งตลอดทั้งตลอดรุ่งได้ นั่งได้ทุกคืนถ้าท่านต้องการจะนั่งนั่งได้นั่งแปดชั่วโมงนี่จิตสงบสองสามครั้งด้วยกันอันนั้นแหละมันต้องปฏิบัติเต็มรูปแบบมันถึงจะได้สมาธิก่อนแล้วเมื่อได้สมาธิแล้วมันถึงจะสามารถไปวิปัสสนาได้ต่อไปไอ้นั่งครึ่งชั่วโมงเนี่เหมือนนอกกระจอบกินน้ำคนที่ไม่อยู่วงการปฏิบัติไม่รู้หรอกคนที่มาอยู่ในวงการปฏิบัติถึงจะรู้รา นั่งกันคลราสิบห้านาทีสามสิบนาทีนี่มันเป็นเหมือนนกกระจอกกินน้ำเลยคำ ถ, ถามจากคุณคุณนวั์พอดีคณะที่ผมเรียนอยู่มีโครงการให้นักศึกษาทุกคนไปปฏิบัติธรรมบังคับไปถ้าไม่ไปจะไม่จบโดยคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากไปบ้างและบางคนถึงขั้นเปลี่ยนศาสนาเพราะไม่อยากไปพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับแล้วเราควรวางตนอย่างไรครับ คือไม่ควรบังคับะนะเรื่องศาสนาเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้ต้องเป็นไปตามศรัทธานอกจากว่าถ้ามาบวชแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของศาสนาแม้แต่มาบวชเขาก็ไม่บังคับให้นั่งสมาธิไม่บังคับให้เขาบังคับเพียงแต่ให้รักษาศีลนี่นเลพระเป็นภระนีต้องต้องรักษาพระวินัยแต่จะนั่งสมาธิแล้อ ไ, ไม่นั่งนี้ท่านไม่บังคับท่านปล่อยให้เป็นไปตามความสามารถ แต่ศีลนี้ต้องรักษาเพราะว่ามันมันเกี่ยวข้องกับส่วนรวมถ้าไปทำไม่รักษาศีลแล้วมันจะเสียหายต่อส่วนรวมได้ทาให้เสียชื่อจะทำให้คนก็เสื่อมศรัทธาก็เลยต้องก็ต้องรักษาศีลแต่สมาธิปัญญานี่ท่านปล่อยให้เป็นไปตามความสามารถแต่ครูบาอาจารย์บางท่านนั่นก็ บังคับเชิงบังคับคือจะอยู่กับท่านก็ต้องภาวนาถ้าท่านเห็นว่าไม่ภาวนาท่านก็จะไม่ให้อยู่เช่นท่านที่จะมานั่งสมาธิกับม า, ามาทำอะไรอย่างอื่นทำของภายนอกมานั่งปลุกเสกหรือมาทำอะไรนี้ท่านก็จะไม่ให้อยู่ อ, อีกข้อดีไหมหรือมีหลายขอ้อมีอีกหลายอ เหนื่อยแเดี๋ยวสักข้อเดียวก็พอองรงแล้วเดี๋ยวนะนเปลีปนพอเลยนำแล้วเวาผ่านไปเร็วคำถามจากคุณเด็กน้อยพระโสดาบันยังมีความรักมีการแต่งงานยังอยากรวยและมีความโกรธแล้วความแตกต่างระหว่างพระโสดาบันกับชาวบ้านธรรมดาคืออะไรคะ แล้วจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เข้าถึงพระโสดาบันค่ะเคยพระโสดาบันท่านไม่กลัวความเจ็บกลัวความตายไม่กลัวความแก่ท่านพร้อมที่จะแกะ่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายได้อย่างสบายแล้วท่านก็จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดท่านยอมตายถ้าระหว่างเลือกให้ใ ห, ให้ระหว่างทําบาปกับทําบาปกับอยู่หรือไม่ทําบาปแล้วตายในท่านท่านท่านยอมตาย ทานจะรักษาสีนี่กว่าชีวิตเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าถ้าทําบาปแล้วต้องไปใช้กรรมในอบายซึ่งไม่คุม้มค่าเพราะยังไงก็ต้องตายอยู่ดีตายแบบไม่ต้องไปใช้นี่ดีกว่าตายแล้วต้องไปใช้นี่ท่านจะเห็นอย่างนี้แต่คนธรรมดาจะมองไม่เห็นว่าตายแล้วจะไปไหนพระโสดาบันจะเห็นท่านก็เลยจะรักษาศีนี่กว่าชีวิตแล้วท่านก็จะไม่ไปงมงานกับพิธีกรรมต่าง ๆ, างๆกับวัตถุมงคลต่างๆ เพราะของพวกนี้ไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจต้องกำจัดด้วยศีลสมาธิปัญญาคือไปละความอยากพอเวล า, วลาอยากรวยเนไม่รวยก็เลยต้องไปหาหมอดูกันใช่ไหมไปให้เขาทำพิธีอะไรกันเพื่อเสริมสิริมงคลอะไรกันไปเผื่อจะได้รวยอันนี้อาพ่อสวดาบันท่านไม่ทำเพราะท่านรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรม มันอยู่ที่เหตุปัจจัยถ้ามันจะรวยมันก็รวยถ้ามันมีเหตุทําให้รวยมันก็รวยถ้ามันไม่มีเหตุทําให้รวยมันก็ไม่รวยแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนจะรวยแล้วไม่รวยท่านก็ไม่ได้มีความอยากในเรื่องราวหลังนี้ท่านรู้ว่ารวยก็ตายไม่รวยก็ตายแล้วสุขทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ที่รวยแล้วไม่รวยสุขทุกข์อยู่ที่พอหรือไม่พอถ้ามีความพอแล้วมันก็มีความสุขแล้ว